จากภารกิจการงานต่างๆเจิมได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาประกอบกิจกรรมของพุทธศาส น, นิกชนด้วยการให้ทานรักษาศีลฝังเทศฝังธรรมเพื่อพัฒนาชีวิตจิตใจให้สูงขึ้นให้ดีขึ้น ให้มีความทุกข์ความวุ่นวายใจน้อยลงไปให้มีภพชาติน้อยลงไปตามลำดับเพราะการมีความเชื่อในพระพุทธเจ้าในพระธรรมคำสอนและในพระอริยสงสาวกเป็นต้นเหตุที่ จะทำให้เราได้ก้าวไปสู่ความสุขและความเจริญที่แท้จริงเพราะไม่มีใครในโลกนี้จะรู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไรดีเท่ากับที่พระพุทธเจ้าทรงรู้และพระอริยสงสาวโกทั้งหลายได้รับรู้ จากการปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสรงตรัสรู้ากะกาศพระธรรมคําสอนให้แก่สัตวโลกสัตวโลกก็จะหลงอยู่กับความสุขความเจริญที่ไม่ไม่แท้จริงเป็นความสุขและความเจริญที่มี ทงความทุกข์และความเสื่อมตามมาเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกที่สัตว์โลกได้ยึดเป็นสิ่งที่อานวยความสุขให้กับตนสิ่งที่อานวยความเจริญให้กับตนนั้นอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์คือไม่เที่ยงมีการเจริญและมีการเสื่อมเป็นธรรมดา มีมีความทุกข์ถ้าไปหลงไปยึดไปติดและไม่อยู่ในการควบคุมบังคับของผู้ใดทั้งนั้นเช่นลาบยศสะลรเสริญสุขทางตาหูจมูกิืนกายเหล่านี้ล้วนอยู่ภายใต้กฎของใจลักคือมีการเปลี่ยนแปลง มีการเจริญและมีการเสื่อมแต่สัตว์โลกนี้กลับมองไม่เห็นกันกลับเห็นว่าอย่าให้ความสุขกับตนโดยที่ไม่คิดถึงเวลาที่สิ่งเหล่านี้ที่ให้ความสุขกับตนนี้เกิดการเสื่อมสภาพไปหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงไป เวลานั้นก็ได้แต่ร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจแล้วก็ไม่เคยจดจำพอหายจากความเศร้าโศกเสียใจก็กลับไปหาสิ่งเดิมอีกไปหาสิ่งที่ทาให้ตนนั้นเศร้าโศกเสียใจทุกข์อีกโดยที่ไม่เคยใช้ปัญญาวิเคราะห์ดูเลยว่า สิ่งเหล่านี้นั้นมันให้ความสุขมากน้อยเพียงไรแล้วมันให้ความทุกข์มากน้อยเพียงไรสัตว <Yeah. S 1> ์โลกจึงต้องเวียนว่ายอยู่กับความทุกข์ไปเรื่อยๆเพราะถึงแม้ร่างกายจะตายไปแล้วใจก็ยังมีความหลงยังมีความอยากที่จะไปหา ความสุขจากลาบยศ ส, สรรเสิญสุขนี้อยู่ก็จะไปเกิดใหม่แล้วก็ไปหาลาบยศ ส, สรรเสิญสุขใหม่ไปเรื่อยๆพอเวลาต้องพัดพรากจากลาบยศ ส, สรรเสิญสุขก็เกิดความทุกข์ใจในขณะที่อยู่กับสิ่งอยู่กับลาบยศ ส, สรรเสิญสุข ก็ยังมีความวิตกมีความกังวลมีความกลัวที่จะต้องเสียราบระละเสรสนสุขไปนี่คือความสุขของสัตว์โลกที่แสวงหากันที่เสพกันมาตลอดนับไม่ถ้วนไม่นับไม่รู้ว่ากี่พบ ก, กี่ชาติแล้ว เกิดมาที่ไรก็จะแสวงหาความสุขแบบนี้ไปตลอดเวลาจนกว่าจะได้มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แล้วนำเอาความสุขที่แท้จริงมาเผยแผ่ให้แก่สัตว์โลกความสุขที่แท้จริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพร้อมได้ทรงตรัสรูน้นี้และได้ มีไว้เป็นสมบัติของพระองค์นี้ก็คือความสุขที่เกิดจากความสงบของใจนี้เองใจถ้าไม่สงบใจจะไม่มีความสุขใจจะมีความสุขก็ต่อเมื่อใจสงบและการที่ใจจะสงบได้ใจก็ต้องปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่าง ปล่อยวางการแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายปล่อยวางจากการแสวงหาลาภยศสารเสริญต่างๆเพราะการแสวงหาลาภยศสารเสริญและสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้จะทาให้ใจว้าวุ่นขุนมัวจะทำให้ใจ เครียดวิตกกังวลกินไม่ได้นอนไม่หลับคือสรุปว่าจะทำให้ใจไม่มีความสงบเมื่อใจไม่มีความสงบก็จะไม่ได้พบกับความสุขที่แท้จริงพระพุทธเจ้าถึงทรงสอนให้สัตว์โลกทั้งหลายปล่อยวางการแสวงหาลาบยศเสริญและความสุข ทางตาหูจมูกลิ้นกายให้แสวงหาความสุขที่เกิดจากความสงบ ก, ก็ต้องละการแสวงหาราบยศสลรเสริญสุขแล้วก็ไปหาที่สงบสงดวิเวกแล้วก็ควบคุมใจ ไม่ให้คิดถึงเรื่องราวต่างๆเพราะเวลาใจคิดถึงเรื่องราวต่างๆใจก็จะไม่สงบก็ต้องมาควบคุมใจให้สงบด้วยการควบคุมด้วยสติในเบื้องต้นใจนี้จะไม่สามารถที่จะไปไหนมาไหนได้ ถ้ามีสติคอยดึงเอาไว้ใจถ้าเปรียกก็เหมือนกับลิงตัวหนึ่งส่วนสตินี้ก็เปียกเหมือนเชือกที่จะคล้องคอลิงเอาไว้แล้วก็ดึงไว้ไม่ให้ไปเพ่นพ่านถ้ามีเชือกลิงก็จะไม่สามารถไปเพ่นพ่านไปทำอะไรต่างๆได้ เวลาที่จะจับลิงเข้ากลงก็ไม่ยากดึงลิงดึงดึงด้วยเชือกดึงเข้ามาในกลงมันก็ต้องเข้ากลงไปแต่ถ้าไม่มีเชือกนี้จะจับลิงเข้ากลงนี้คงจะยากเพราะลิงนี้มันรวดเร็วยิ่งกว่าเราลองตามจับลิงดูจับลิงมาเข้ากลงดู ดูว่าจะจับได้หรือไม่ถ้าไม่มีเชือกคล้องคอมันเอาไว้ก่อนสัตว์ส่วนใหญ่จึงต้องมีเชือกคล้องคอไว้เพื่อที่จะได้บังคับมันได้นั่นเองจิตหรือใจของพวกเราก็เป็นเหมือนสัตว์เหมือนตัวหนึ่งที่จำเป็นจะต้องมีเชือกคล้องคอเอาไว้เพื่อที่จะได้ควบคุมบังคับ ให้มันอยู่ตามปกติให้มันอยู่อย่างสงบไม่พยศไม่ไปเพ่นพ่านไปทำลายผู้อื่นหรือตัวมันเองใจของเราก็เช่นเดียวกันถ้าไม่มีเชือกคือสติคอยดึงมาไว้ใจนี้ก็จะไปเพ่นพ่านและไปทำสิ่งที่ เสียหายให้กับผู้อื่นและกับตนเองได้ยกตัวอย่างเวลาที่เสพสุรายาเมาก็จะเกิดอาการเนมนเมาขาดสติทำให้ไม่สามารถที่จะควบคุมใจให้อยู่อย่างปกติอยู่อย่างสงบได้เวลาไปทำอะไรก็จะมักจะ ทำให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นเช่นเวลาเมาสุราแล้วไปขับรถยนต์ก็มักจะไม่สามารถควบคุมรถยนต์ให้วิ่งได้อย่างปลอดภัยไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องไปประสบกับอุบัติเหตุไปชนผู้อื่นไปชนรถยนต์กันอื่นนี่เป็นเพราะว่าไม่มีสติพอ ที่จะควบคุมบังคับใจให้ควบคุมรถยนต์ให้วิ่งได้อย่างปลอดภัยนั่นเองดังนั้นสติจึงเป็นธรรมที่สำคัญอย่างยิ่งเป็นธรรมที่สำคัญที่สุดเลยเพราะถ้าไม่มีสติก็จะไม่สามารถทําสิ่งที่ดีที่งามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ทําได้เลย เช่นให้มาวัดในวันนี้ก็จะมาไม่ได้ถ้าตอนนี้ยังมีอาการมึนเมาอยู่ถ้าไปดื่มสุราแล้วยังไม่หายสางจากอาการมึนเมาตอนนี้ก็คงยังนอนหลับอยู่ไม่สามารถตื่นมาวัดได้หรือถ้าคนที่ไม่มีสติมากไปกว่า น, นี้เช่นที่เราเรียกว่าคนเสียสติคนบ้า เขาก็จะไม่สามารถที่จะทำความดีต่างๆได้เพราะใจของเขานั้นจะชอบทำแต่สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไร้สาระสิ่งที่ไม่เกิดคุณเกิดประโยชน์ mm hmm. เพราะในใจนี้ส่วนใหญ่จะมีแต่สิ่งที่ไม่ดีคอยผลักดัน ให้ไปทำในสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ร้ายคุณค่าสิ่งที่ร้ายประโยชน์นั่นเองถ้าใจในเบื้องต้นไม่ได้รับการอบรมให้รู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรเป็นคุณอะไรเป็นประโยชน์อะไรเป็นโทษใจก็มักจะไปทำสิ่งที่เป็นโทษหรือเป็นสิ่งที่ร้ายสาระ ยกตัวอย่างเด็กๆถ้าเราไม่คอยสอนว่าอะไรดีเด็กก็มักจะชอบทาในสิ่งที่ไม่ดีไม่เกิดประโยชน์เช่นเด็กก็จะชอบเล่นกันจะไม่ชอบทำงานกันแทนที่จะชอบกวาดบ้านถูบ้านล้างถ้วยล้างชามทำงานภายในบ้านก็กลับไปชอบเล่นกัน เล่นอะไรต่างๆวิ่งเล่นบ้างเล่นของบ้างเล่นอะไรต่างๆที่ไม่เกิดประโยชน์เลยเพราะธรรมชาติของผู้ตุชนนี้เป็นอย่างนี้ชอบสิ่งที่ไร้สาระสิ่งที่ไม่มีคุณไม่มีประโยชน์ถ้าเป็นจิตที่รู้จักผิดถูกดีชั่วก็จะไม่ได้กลับมาเกิดเป็นผุ้ตุชนนั่นเอง เช่นพระอาริยสงฆ์สาวกทั้งหลายท่านเป็นผู้ที่ได้ศึกษาได้ยินได้ฟังหรือได้คิดด้วยตนเองว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นประโยชน์อะไรเป็นสิ่งที่ไร้สาระเมื่อท่านรู้ท่านก็จะไม่ทำในสิ่งที่เป็นโทษไม่ทำในสิ่งที่ไร้สาระ ทำแต่สิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์เป็นสาระจนได้บรรลุถึงพระนิพพานนั่นเองบุคคลที่รู้จักบาปบุญคุณโทษรู้จักดีรู้จกัจกชั่วรู้จักคุณรู้จักโทษนี้จะเป็นบุคคลที่จะก้าวไปสู่พระนิพพานได้ในที่สุดจะไม่ต้องกลับมาเกิดส่วนพวกที่ยังกลับมาเกิดนี้ก็เป็นพวกที่ ไม่สามารถแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นสาระอะไรไม่เป็นสาระอะไรจะเป็นสิ่งที่ทำให้ได้พบกับความสุขที่แท้จริงจะต้องไม่จะไม่รู้เรื่องราวหล่านี้ถึงได้กลับมาเกิดพอกลับมาเกิดก็จึงมักจะทาแต่เรื่องที่ไร้สาระ ก็ต้องอาศัยผู้ที่รู้เช่นบิดามารดาที่ได้รับการอบรมมาบ้างในเกี่ยวกับเรื่องคุณและโทษในเรื่องที่เป็นสาระและไม่เป็นสาระก็มาสั่งสอนให้แก่บุตรหลานอีกต่อห น, นึง่งบุตรหลานถ้ามีบิดามารดาคอยสั่งสอนก็จะก้าวหน้าจะเจริญได้ แต่ถ้าไม่มีบิดามารดาผู้หลักผู้ใหญ่คอยอบรมสัมสอนก็จะเป็นก็จะเสียคนได้คนที่เสียคนที่ทำผิดทำโทษทำผิดกฎหมายสาคนที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคมนี้ส่วนใหญ่มักจะไม่ได้รับการอบรมจากผู้หลักผู้ใหญ่ ยังมีคำพูดอยู่ว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนพวกที่พ่อแม่ไม่สั่งสอนนี้มักจะไม่เจริญก้าวหน้ามักจะตกต่ำมักจะต้องไปติดคุกติดตารางเพราะไม่รู้ว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษนั่นเองเช่นพวกที่ชอบเสพสุรายาเบา ชอบเล่นการพนันชอบเที่ยวกลางคืนชอบคบคนชั่วเป็นมิตรชอบความเกียดคร้านนี่คือเหตุที่จะนำไปสู่ความความทุกข์ความเสื่อมเสียต่างๆเป็นเหตุที่จะทำให้ไปทำบาปทำกรรมไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดมดเท็ แล้วก็ต้องไปใช้เวรใช้กรรมติดคุกติดตารางตายไปก็ต้องไปเกิดในอบายไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างไปตกนรกบ้างนี่เป็นผลที่จะตามมาสำหรับคนที่ไม่รู้จักแยกแยะว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรชั่วแล้วก็ไม่มีสติพอที่จะ ควบคุมบังคับไม่ให้ไปทำในสิ่งที่เป็นโทษได้นั่นเองแต่ถ้ามีสติและมีความรู้ว่าอะไรผิดถูกดีชั่วก็จะสามารถหักห้ามจิตใจไม่ให้ไปทำในสิ่งที่เป็นโทษได้คนที่รู้ว่าการดื่มสุรานี้ไม่ดีการเล่นการพนันไม่ดี การเที่ยวกลางคืนไม่ดีการคบคนชั่วเป็นมิตรไม่ดีความเกลียดคร้านไม่ดีแล้วถ้ามีสติคอยควบคุมบังคับใจคอยดึงใจเอาไว้ mm. ก็จะสามารถหักข้ามจิตใจไม่ให้ไปทําในสิ่งที่ไม่ดีได้เช mm. ่นเวลาที่คิดอยากจะดื่มสุราถ้ามีสติ mm. ก็จะดึงเอาไว้ได้ แต่ถ้าไม่มีสติหรือสติมีกำลังไม่พอพอเกิดความอยากจะดื่มสุราปับ๊บมันก็จะสั่งให้ร่างกายไปคว้าเอาสุรามาดื่มทันทีเลยแต่ถ้ามีสติก็จะรู้ว่านี่กำลังจะไปคว้าสุรามาดื่มแล้วก็ต้องหยุดหยุดได้ทันทีดังนั้นการมีสติจึงเป็นสิ่งที่สาคัญอย่างยิ่ง ต่อการพัฒนาชีวิตจิตใจของตนเองให้เจริญก้าวหน้าจึงจำเป็นที่ทุกคนจะต้องฝึกการเจริญสติซึ่งเป็นสิ่งที่เราสามารถฝึกได้ตลอดเวลาไม่จำเป็นจะต้องมาวัดเพราะสติอยู่อยู่ที่ตัวเราใจก็อยู่ที่ตัวเราเพียงแต่ว่าให้สติอยู่กับใจเท่านั้นเอง แต่เรามักจะไม่มีสติกันเพราะว่าเรามักจะไม่อยู่กับใจของเราเรามักจะไปอยู่กับเรื่องอื่นเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้เรื่องเหตุการณ์ต่างๆเวลาที่ใจเรากำลังคิดจะทำอะไรเราก็มองไม่เห็นพอใจสั่งปั๊บก็ทำตามที่ใจสั่งเลยแล้วก็มาเสียใจในภายหลัง หลังจากที่ได้ทำไปแล้วนั่นเพราะว่าไม่มีสติคอยดูใจนั่นเองเราจึงต้องฝึกให้ใจนี้มีสติให้สติให้รู้อยู่ตลอดเวลาว่ากำลังทำอะไรอยู่เช่นการกระทำของร่างกายเหล่านี้ก็เป็นการกระทำของใจเหล่านี้เองเพราะร่างกายเหล่านี้ถ้าไม่มีใจเป็นผู้สั่งให้ทำ ก็จะไม่สามารถทำอะไรได้เช่นคนตายนี้แสดงว่าไม่มีใจคอยสั่งก็เลยต้องนอนอยู่ตรงนั้นลุกไปไหนไม่ได้หรือคนที่นอนหลับก็เช่นเดียวกันตอนนั้นใจก็ไม่ได้สั่งให้ร่างกายลุกขึ้นไปทำอะไรแต่ในขณะที่ร่างกายกาลังทำอะไรอยู่นี้แสดงว่ากาลัง มีใจกาลังทำงานอยู่เพราะใจเป็นผู้สั่งการให้ร่างกายทำอะไรต่างๆดังนั้นเราต้องดูที่ร่างกายเราก่อนเพราะเราไม่สามารถดูที่ความคิดหรือที่ใจของเราได้เพราะมันวัยกว่าและมันละเอียดกว่าเราต้องดูที่กายไปก่อนดูที่กายก็เท่ากับดูที่ใจถ้าเราดูกายทุกขณะ ไม่ว่ากายกำลังจะทำอะไรอยู่ก็ให้รู้อยู่ว่ากำลังทำสิ่งนั้นอยู่เช่นกำลังเดินก็ให้อยู่กับการเดินอย่างเดียวอย่าไปเ ด, เดินไปแล้วก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปถ้าอย่างนี้เรียกว่าไม่มีสติอยู่กับใจอยู่กับกายเพลอแล้วใจหนีไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วตามไม่ทันแล้ว ต้องดึงใจให้กลับมาอยู่ที่กายร่างกายกำลังทำอะไรอยู่ก็ให้รู้อยู่ว่ากำลังทำกาลังเดินก็รู้ว่ากำลังเดินกาลังยืนก็รู้ว่ากาลังยืนกาลังนั่งก็รู้ว่ากำลังนั่งกำลังฟังเทศก็รู้ว่ากำลังฟังเทศให้อยู่กับการฟังอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะถ้าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะฟังไม่รู้เรื่อง ฟังไม่เข้าใจการฟังก็จะไม่เกิดประโยชน์ไม่ได้รับผลที่ควรจะได้รับแต่ถ้าฟังอย่างมีสติจบจอฟังอยู่แล้วก็คิดตามไปก็จะเกิดความเข้าใจแล้วก็จะสามารถนําเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้เช่นวันนี้ได้ยินได้ฟังเรื่องของการมีสติถ้ามีสติแล้วก็จะสามารถ ควบคุมบังคับใจได้เวลาใจจะไปดื่มสุราก็หยุดได้เวลาจะไปเล่นการพนันก็หยุดได้เวลาจะไปเที่ยวกลางคืนก็หยุดได้เวลามีความเกลียดคร้านก็หยุดได้เวลาคบคนไม่ดีก็หยุดได้เวลาจะทําบาปก็หยุดได้เวลาจะฆ่าสัตว์ก็หยุดได้เวลาจะรักทรัพย์ก็หยุดได้ เวลาจะประพฤติผิดประเวณีก็หยุดได้เวลาที่จะพูดปดกปิดก็หยุดได้เพราะมีสติคอยควบคุมใจเหมือนกับมีเชือกคอยดึงคอยดึงลิงไว้เวลาลิงจะไปทําลายข้าวของก็ดึงเอาไว้ได้เวลาลิงจะไปทํำลายคนนั้นคนนี้ก็ดึงเอาไว้ได้เพราะมีเชือกคอยดึงเอาไว้นั่นเองถ้าเรามีสติ เราก็จะสามารถดึงใจของเราไม่ให้ทําไปทําในสิ่งที่เกิดความเสียหายให้แก่ผู้อื่นและกับตัวเราได้เมื่อเราไม่ไปทําสิ่งที่เสียหายเราก็เป็นคนดีได้คนที่เป็นคนดีก็คือคนที่ไม่ไปทําสิ่งที่เสียหายนั่นเองไม่ไปทําความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น เมื่อเมื่อเรามีสติพอแล้วเราก็จะสามารถควบคุมใจให้สงบได้คือเราสามารถจับลิงเข้าไปขังไว้ในกรงได้ตอนนี้เรายังไม่ได้จับลิงเข้าไปขังในกรงคือใจของเราถึงแม้ว่ายังไม่ขณะนี้ไม่ได้ไปทําอะไรที่เสียหายแต่มันก็ยังไม่นิ่งมันก็ยังคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ได้อยู่ ถ้าเราอยากจะให้ใจนี้นิ่งสงบไม่ให้คิดเรื่องอะไรและให้ความสุขกับเราเราก็ต้องจับใจนี้เข้าไปขังไว้ในกลมด้วยการนั่งขัดสมาธิหลับตาหาที่สงบที่ไม่มีคนมารบกวนเราถ้ามีโทรศัพท์มือถือก็ให้ปิดเสียอย่าไปกังวลกับการรับโทรศัพท์ ไปหาที่สงบถ้าไม่มีที่ก็เข้าไปในห้องของเราแล้วนั่งขัดสมาธิตั้งตัวให้ตรงแล้วก็ตั้งสติให้อยู่กับอารมณ์ที่จะควบคุมใจของเราให้สงบซึ่งเราสามารถเลือกได้หลายอย่างด้วยกันบางท่านชอบใช้ลมหายใจเข้าออกก็ใช้ลมหายใจเข้าออกให้มีสติรู้อยู่กับ การหายใจเข้าหายใจออกให้รู like humanos, ways, ้อยู่เท่านั้นอย่าไปรู้อย่างเรื่องอย่างอื่นอย่าไปรู้เรื่องอื่นอย่าไปรู้เรื่องคนนั้นคนนี้เรื่องเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้ให้รู้อยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกบางท่านชอบการบริกรรมพุทโธก็ใช้การบริกรรมพุทโธไปให้รู้อยู่กับการบริกรรมพุทโธพุทโธไป อย่างเดียวไม่ต้องไปสนใจเรื่องลมหรือบางท่านถ้าชอบใช้ทั้งลมและพุทธโธจะผสมกันก็ได้เช่นเวลาหายใจเข้าก็ว่าพุทหายใจออกก็ว่าโธหรือจะว่าหายใจเข้าก็ว่าพุทธโธหายใจออกก็ว่าพุทธโธก็ได้แล้วแต่จริญแล้วแต่ความละเอียดของจิตของแต่ละท่านซึ่งมีไม่เหมือนกัน ถ้าจะจิตละเอียดบ้างก็จะเอาอย่างเดียวถ้ายังไม่ละเอียดก็อาจจะต้องใช้สองอย่างช่วยกันถ้ายังรู้สึกว่ายังไม่สามารถใช้แบบนี้ได้ทำแบบนี้ได้ก็อาจจะต้องไปสวดมนต์ซะก่อนอาศัยการสวดมนต์เป็นเครื่องดึงใจให้เข้าไปอยู่ในกรงให้เข้าไปสู่ความสงบ สวดมนต์ไปนั่งขัดสมาธิหลับตาอย่างนี้แหละแต่สวดมนต์ไปภายในใจสวด น, น้่โมตสะ阿拉หังสัมมาสวากขาโตสุปฏิปันโนสวดบทไหนที่เราจําได้ไม่ต้องไปเปิดหนังสือดูเพราะจะทําให้ใจส่งออกไปข้างนอกใจก็จะไม่สงบเท่าที่ควรเราควรที่จะหลับตาปิดทวารทั้งห้าปิดตาหูจมูกนิ้นกาย ไม่ให้ใจนี้ออกไปเพ่นพ่านแล้วก็ดึงให้อยู่ภายในใจด้วยการดูลมหายใจเข้าออกหรือบริกรรมพุทโธหรือสวดมนต์ไปเรื่อยเืหรือถ้าสวดมนต์ก็ยังไม่อยู่ก็อาจจะต้องใช้การฟังเทศไปก่อนก็ได้เปิดธรรมะไฟฟังไปอย่างที่เรากำลังฟังอยู่ในขณะนี้ ถ้าเรามีใจจดจ่ออยู่กับการฟังใจก็จะไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจก็จะสงบได้พอใจรู้สึกสงบแล้วก็ปิดปิดธรรมะปิดเทศแล้วก็ดูที่ลมหายใจต่อไปจนกว่าจิตจะปล่อยวางลมหายใจแล้วก็รวมเข้ารวมลวมเข้าสู่ความสงบ แล้วเราก็จะได้พบกับความสุขที่มหัศจรรย์ใจที่เราไม่เคยพบมาก่อนในชีวิตของเราเลยก็คือความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เองเป็นความสุขที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่านติสันติปรํงสุขขันไม่มีสุขใดในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบของใจสันติสุขนี้เอง ถ้าใครได้พบกับความสุขแบบนี้แล้วก็เหมือนกับได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเป็นเศรษฐีแล้วทีนี้ไม่ต้องไปหาความสุขจากภายนอกแล้วความสุขจากภายนอกนี้เป็นเหมือนเงินของคนขอทานจะได้สักกี่สตางค์กันขอทานไปหาเงินไปขอทานข้างนอกวันหนึ่งก็จะได้สักกี่บาทกันคนที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง ได้สมล้านได้6ล้านนี้เขาไม่ต้องออกไปขอทานอีกแล้วเขามีเงินที่จะมาซื้อความสุขให้เขาได้อย่างเต็นที่ความสุขที่เกิดจากความสงบภายในใจนี้ก็เป็นเหมือนกับการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนี่เองเมื่อถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแล้วก็ไม่ต้องไปเป็นขอทานอีกต่อไปไม่ต้องไปหาความสุขจากตาหูจมูกลิ้นกาย ไม่ต้องไปหาลาภยศสรรเสริญสุขหาลาภหายศหาสรรเสริญเพราะว่ามันไม่มีมันไม่มีความสุขเท่ากับความสุขที่ได้จากความสงบนี้เองเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วชีวิตก็จะพลิกหน้ามืองเป็นหลังมืองเคยออกไปหาเงินหาทองหาตาแหน่งหาการสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกาย ก็จะไปหาที่สงบสงัดวิเว้ไปหาที่ไม่มีอะไรมารบกวนใจแล้วก็นั่งสมาธิเดินจงกรมควบคุมใจให้อยู่ในความสงบไปทั้งวันนี่แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพบหลังจากที่ได้เสด็จออกจากพระราชวางังความจริงได้ทรงพบก่อนที่จะออกจากในวงัง พราะถ้าไม่ทรงพบมาก่อนก็จะไม่ออกจากวังไปเพราะว่าถ้าออกจากวังไปแล้วมันก็จะไม่มีความสุขเท่ากับความสุขของการที่อยู่ในวังนั่นเองแต่เนื่องจากพระองค์เคยพบกับความสุขของความสงบของใจวันหนึ่งในขณะที่พระองค์อยู่ตามลำพังไม่มีใครมารบกวนใจของพระองค์ที่เคยได้บาเพ็ญความสงบนี้มาก่อน ก็รวมลงเข้าสู่ความสงบจึงทำให้พระองค์รู้แล้วว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ตรงความสงบของใจนี้เองจึงได้พยายามหาวิธีที่จะออกจากวังไปจนในที่สุดก็ได้เสด็จออกจากวังในคืนที่ได้ทรงทราบว่าพระมเหสีได้ประสูติพระราชโอรสขึ้นมาทรงรู้ว่าถ้าอยู่ต่อไป ก็จะไม่สามารถออกจากวังได้เพราะพระราชโอรสนี้เป็นเหมือนบ่วงที่จะคล้องคอพระพุทธเจ้าไม่ให้ได้เสด็จออกจากพระราชวังนั่นเองเพระองค์จึงทรงอุทานว่าราหุนภาษาบาลีราหุนนี้แปลว่าบ่วงก็เลยกลายเป็นชื่อของพระราชโอรสต่อมาเรียกว่า พ, พระราหุน องทรงตัดว่าเป็นบวงจะเลยต้องหนีจากคืนนั้นเลยไม่กล้าไปมองเห็นไม่มาไม่กล้าไปดูลูกที่เพิ่งคลอดออกมาเพราะกลัวจะไม่มีกำลังใจพอที่จะเสด็จออกไปหาความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ไม่ได้นั่นเองนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้น ถ้าผู้ใดก็ตามได้พบกับความสงบสุขอย่างนี้แล้วจะมีความกล้าหาญที่จะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ได้หมดเลยเพราะจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไร้สาระทั้งนั้นเป็นความทุกข์ทั้งนั้นไม่มีความสุขเลยจะเห็นแต่ความสงบสุขอย่างเดียวที่เป็นความสุขที่แท้จริงนี่คือ เป้าหมายของพุทธศาสนิกชนทุกๆคนไม่ว่าเรากำลังจะทำอะไรก็ตามจะทำบุญให้ทานจะรักษาศีลจะฟังเทศฟังธรรมจะนั่งสมาธิเดินจงกลมก็เป็นเพื่อเพื่อที่เราจะได้พบกับความสุขอันนี้นั่นเองนี่คือเป้าหมายของการทำกิจกรรมต่างๆในทางพระพุทธศาสนาอย่าทำเพื่อหวังร่ำรวย เพื่อให้รวยขึ้นให้ดีขึ้นมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ทานี้ทำเพื่อความสุขทางใจเท่านั้นเองไม่เช่นนั้นแล้วเราจะผิดหวังบางคนมาวัดมาทำบุญเพื่อคิดว่าจะร่ำรวยขึ้นจะมีคนรักเรามากขึ้นอย่างนี้มันไม่เกี่ยวกันพอไม่เป็นดังที่ปรารถนาก็เสื่อมศรัทธา ไม่อยากจะมาวัดไม่อยากจะมาทำบุญเพราะเขาเข้าใจผิดนั่นเองเขาไม่รู้ว่าการเข้าวัดการมาทำบุญนี้เพื่อมาสร้างความสงบสุขให้แก่ใจต่างหากดังนั้นขอให้พวกเราจงจำไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำนี้ทำเพื่อใจของเราเท่านั้นทำเพื่อความสงบของใจและจะสงบได้เราก็ต้องละไม่ใช่โลภไม่ใช่อยากได้เราต้องตัด เราต้องไม่อยากได้อะไรทั้งสิ้นในโลกนี้แม้แต่ชีวิตนี้ก็ไม่อยากจะได้ร่างกายนี้ก็ไม่อยากจะรักษามันถ้ามันถึงเวลาจะต้องตายก็ต้องปล่อยมันเพราะถ้าไม่ปล่อยมันมันใจใจจะไม่สงบใจจะทุกข์ขึ้นมาทันทีเลยจึยงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมามาปฏิบัติหน้าที่ของพุทธศาสนิกชน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 จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญบาสจากความทุกข์ความกังวลทั้งหลายโดยทั่วหน้ากันเธอ